ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใช้ชายให้บ่งฝีที่เกิดในร่มผ้าอยู่กันสองต่อสองกับชายในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐาน เป็นกัถินะสมุทฐานละอารามวัตคที่6จบ